แ, แต่อาจารย์ใหญ่ั้นของเราที่ข่านมาแนะนำคำสอนจบทศวรรษสั้นเพื่อท่านเคยได้ประพฤติปฏิบัติทั้งเน้ทั้ทงนำคือทุกสิ่งทุกส่วนท่านเคยประพฤติปฏิบัติในตัวท่านมาถูกต้องดีทุกอย่างท่านจึง<อ>เป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูด ผู้คนประชาชนทั่วไปให้เหลืม่มใส่ศีลธรเพราะท่านเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติไม่ว่าด้านกายวาจาจิตพวกเราถี่มาแน่มาสอนกันมันเหมือนเหมือนอย่างท่านจึงเป็นหน้าเสียดายท่านอยู่ว่าหน้าขาบจากไปเป็นผีส่งของใจของพุทธบริษัทได้อย่างดีครูอาจารย์สมัยนี้จะหาเหมือนท่าน ไม่มีถึงจะมีอัดคำภายในใจบางขันบางองค์ขันก็ไม่ชอบจิตแต่นี่จะสอนคนอื่นบางขันบางองค์ชอบสอนแต่เชื่อว่าธรรมะก็หมาถึงจิตถึงใจของบุคคลดังนั้นการสอนคนเป็นของยากของลําบากไม่ใช่ของง่ายตัวของเราเองเคยบวชเรียนเชินอ่านมาก็เหมือนกัน ไมใช่ว่าท่านสอนเก่งแล้วจะชอบองค์ที่ท่านสอนเก่งทุกองค์ไปไม่อย่างนั้นยิ่งเป็นเจ้ามานาทิชิอย่างตัวของผู้เทศจะต้องดูทุกแง่ทุกมุมดูคนไม่ใช่ว่าเชื่อเชียงลมปากของคน่านั้นจะเชื่อถดถึงจิต ถ, ถึงใจได้กพราะอาศัยขวัดปฏิบัติอาศัยความดีความเด่นของท่านจะเชียงแกมาพูดกัน เาเปพียงลงตากไม่ยอมเชื่อให้พูดถึงจิตใจคนพิจิตหนักอย่างอาจารย์เป็นอย่างนะั้นไม่เคยเชื่ออย่างงมง่ายง่ายได้เท่าไรแต่นั้นจึงเรียกครูเรียกอาจารย์ยากลําบากในการที่จะเคารพเลื่อมใสเพราะจิตใจของตัวมันเป็นคนพิจิมานะถึงอย่างไรก็ดีการฟังจากครูจากอาจารย์ขันผูู้อื่นแนะนำสอนก็สาธุยินดี เขารบเหลื่อมสายแต่เธ่อว่าวามจะไปพักใจจะให้เชื่อมั่นในตัวของเราเองนั้นยังสู่การปฏิบัติภายในตัวไม่ได้นี่ในหมายถึงว่าไม่เคารพทำดีนในเพราะสิ่งที่จำมาจากครูอาจารย์นั้นย่อมรั่วไหลหรือหลงหลึือง่ะหากเราทําไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นภายในเราเชื่อก็่เชื่อ ยังเบาๆไม่ถึงจิตถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างข้าหากว่าเราฟังแล้วอ่านแล้วจำแล้วลงมือประฤปฏิบัติตามคำแนะนำคำสอนของครูอาจารย์นั้นๆความรู้ความเป็นความเห็นเกิดขึ้นภายในเข้าใจสิ่งนั้นชัดเอนเห็นประจักในตัวนี่ไม่มีวันลืมตั้งแต่วันรู้จนกระทั่งวันตายเชื่อมั่นวันนี้ไม่มีวันลืม ความเห็นความเป็นอย่างนี้นะับว่าเป็นความเห็นความเป็นที่พระพุธทธเจ้าต้องการผู้ใดประพฤติปฏิบัติจิตใจคงตนเห็นรู้ในอาจธรรมจริงจังจะต้องเชื่อมั่นเรี่อยากอาจารศรัทธาเพื่อไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงไปตามเรื่องราวต่างๆฉะนั้นพวกเราท่านซึ่งเป็นพุทธบริษัท เคได้ระดับรับฟังคำคําสั่งสอนจากครูอาจารย์มาหลายท่านหลายองค์หลายกันหากว่าการฟังของพวกเราท่านจะเป็นสาระประโยชน์นํากิเลสตัณหามาณทิพย์ภายในใจให้ตกไปได้ท่านสแสดงคำแต่ละท่านแต่ละองค์ก็แสดงมุ่งเป้าสค์แต่จุดเรื่องต่ำจนถึงเบื้องปลายคือแ ท, ท้จนหมดไม่มีอะไรเหลือหรอผูดถึง ความรู้ความเห็นความเป็นภายในใจแต่พวกเราฟังก็เชื่องแส่ฟังเป็นพิชซีเป็นขนทมทำเนียมไม่ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพราะถ่านเอวางเมื่อใด้กวาสาธุเหมือนนั้นทำทำสั่งสอนก็เลยไม่ฝังจิตฝังใจค่อยจะไปปฏิบัติเมือ่อถ่านแนะนสอนไปจดจําเอาคําพูดสอนนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องของศาสนาล่มเหลวสิบหายเพราะเหตุใดเพราะใจไม่มีหลักฐานแกนสารในอัตธรรมแตนั้นท่านอาจารย์ควันซึ่งเจ้าหี่เคารพเรื่อมใสของพวกเราถั่วไปท่านใดตั้งใจประทฤติปฏิบัติของท่านมาทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของท่านเบิกบานยิ้มแย้มแมจ่มใสจิตใจของท่าน ถึงอัดถึงทำรรถึงพุทธะผู้รู้จริงๆแล้วท่านจะแนะนำท่านสอนคนเท่าไรความเสียหายของท่านจะไม่หมดไม่สิ้นไปและท่านแนะนำท่านสอนใครคนนั้นก็เต็มใจศรัทธาเพราะท่านมีอัดมีทำภายในใจท่า <พอ S 1> นจึงเป็นที่ <พอ S 1> เหลื่อมใสศรัทธาจากคณะญาติโยมไม่ว่าตั้งแต่คนไทยคนเทศต่างชาติเขายังมาเหลื่อมใสศรัทธาด้วยอํานาจ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 อะไรกันพิจารณาตัวเองไหมไม่ใช่พี่เจนนักปฏิบัติประเภทกาฝากหรืออาศัยเกาะกินต้นไม้ต้นไม้ล้มโค่นลงไปตายลงไปกาฝากก็คลอยตายไปด้วยถ้าประเภทนี้ศาสนาม่ยืนยงคงมาพระพุทธเจ้าหรือสาวกดับขันปรินิพพานท่านที่ยังเหลืออยู่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติรักษาธรรมดีในากายใจของท่าน รู้เห็นเด็นชัดบริสุทธิุดของเข้าใจเองประจักเองในการสาธิตปฏิบัติว่าความเป็นไปของจิตของใจในเบื้องต้นทรามกลางและที่สุดเป็นอย่างไรไม่มีทางสงสัยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็จะตัดตอบแบบนี้แล้วความสงสัยในจิตในใจว่าอะไรยังมีอีกในเรื่องภมมาจันที่จะสงสัยของใจมีไมไม่มี เมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่หรือพระพุทธเจา้าปณิพานไปทำคำสอนยังคงเส้นคงวาเป็นอากาลิโกจริงตัวของเราผู้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเด่นชัดภายในเราถึงพระพุทธเจา้าหรือสาวกจะปณิพานไปแต่อาจทำาี่ท่านแนะนำําสอนรู้เห็นภายในพ้าใจของท่านในจิตในใจของท่านสาวกเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นขึ้น ภายในตัวของเราเมือเป็นเช่นนี้พระพุทธเ จ, จ้าปินิ้ผานไปหรือสาวกผู้ อ, อาจารย์ล่มหายตายไปเราก็เป็นทีพึ่งของเราได้ถึงคนจะมาเลื่อมใสสัจธาหรือไม่มาเลื่อมใสสัจธรรนั่นไม่เป็นปัญหาสำหรับจิตใจของเรารู้ไปจักชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไรดีชั่วอย่างไรมีอะไรที่จะควรแก้ไขเพิ่มเติมตมีอะไรบกพ่องในจิตในใจเราไหม ท่านตรวจตาที่เจรณ า, าทราบซัดในวันขี่ท่านปฏิบัติรู้เห็นทำท่านจึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะหลุ่มหลงไปลมตามลมปากของโลกใครจะเรื่องใสศรัทธานั่นเป็นนาที่ของเขาก็าจะไป้กล่าวว่าบูชาสักการะก็เป็นเรื่องของเขาที่จะมุ่งหวังต่างใจในบุญในกุศลใครจะตีสินนินทาว่ากล่าวอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของเขาที่จะสัางกรรมชั่วใส่ตัวของเขา เราเป็นอย่างไรไม่มีการบ่นไหวเอียงๆนี่คือเรื่องการประิปฏิบัติทางธรรมดีในเป็นตัวของตัวไม่ได้เกาะอาศัยแบบ้าวฝั่งกาะต้นไม้เป็นตัวของตัว ไ, ได้การที่จะเห็นจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องจะไปหามาจากครูจากอาจารย์องค์อื่นหาจากตัวของตัวเพราะธรรมธรสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในตัวความจามาอย่ามีการ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 จะไม่มีการดีใจเสียใจกับการเสื่อมการเจริญของศาสนาในคนอื่นเห็นเด่นอยู่ในตัวของตัวเถ่านั้นเรื่องศาสนาถ้าผู้ใจเจ้าบุงหน้าประพฤติปฏิบัติตัวของเท่าองค์เองเองสื่อละสอนกิเลสให้จิตใจวิเศษประเสริฐพ้นกิเลสตัณหาพ้นโลกพูด ง, ง่ายง่าเป็นดีมุตบริสุทธิ์ประเสริฐจริง ท่านจึงมาแนะนำท่ายสอนสัพทาสัตย์โดยส่วนใหญ่ในสมัยพุท ธ, ธ, ธรรกาลในบาดใครทั้งหมดมุ่งหน้ามุงตาสอนตนประพฤติปฏิบัติตนเสียก่อนจึงคอยสอนคนอื่นแต่สมัยปัจจุบันทานตาพระเนนสมัยนี้มากอยากจะไม่ทำอย่างนั้นยังไม่ได้ซื้อขายแล้วตัวเองยังไม่เห็นไม่เป็นอะไรไม่เคยประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจ แต่ก่อนนำคําสอนของพระพุทยเจ้ายืมมาสอนอย่างนั้นอย่างนี้เขาชมให้ก่อนเกิดลืมเมื่อลืมตัวว่าตัวเก่งตัวเด่นเขาชมว่าเป็นอาจารย์ก็เลยเป็นอาจารย์ไปแต่จิตใจกิเลสปัญหามันหัวเราะอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ถึงจะมีมากขนาดไหนทาน่าเน้นในประเทศไทยเป็นจํานวนแสนแสบแต่ด้านจิตใจภายในในเป็นใจในรู้เห็นทางอัดทำให้จํานวนมากปริมาณมาก แต่หากคุณค่าไม่มีมันก็น่าเสียดายน่าเสียใจทั้งทงี่จินข้าวสุกปลาตายของเขาหนุ่งห่มของเขาแต่เราที่เองไม่ดีไม่วิเศษไม่ตั้งใจไปพึ่ปฏิบัติกาจัดกิเลสตัณหาเชี่ยงแต่จะมาบวชเป็นเปรตหลอกลวงหยาดยมเข้ากินคอยเอะเอี๊งทิงอาศัยทมของพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เป็นเครื่อง จำเอาไว้แล้วไปแนะสอนคนอื่นว่าเราเป็นจิตคนนั้นจิตคนนี้แต่การตร่อพติปฏิบัติของเราดีเดน่ดนเป็นจริงตามทีาารรตมมมม่ตัวอาจารย์ต่อพืชปฏิบัติมาหรือไม่ในข่อยสนใจไม่ว่าใใจตัวอาจารย์หรือตัวองค์ทิฏเสดก็เหมือนกันถหากเขาว่าลูกศิษย์เทวทัตรู้สึกจะไม่เต็มใจไม่พอใจแต่เขาว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ารู้สึกจะดีใจ แต่การประฤติปฏิบัติของเราเป็นอย่างไรแบบเทวทัศหรือแบบของพุ้ใจจ้าควรพวกเราพุทธบริษัทจะหมั่นนึกคิดตักเตือนตัวเองเรื่องเหล่านี้ครูอาจารย์ที่จะมีธรรมะมาสอนพวกเราท่านก็เบื้องต้นเหมือนกันทุกคนไปหมดมีกิเลสตัณหามีความชั่วชา้ารามกเหมือนกันกับพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่ประฤติปฏิบั ต, บติแต่อาศัยตัดขาความเชื่อ อาศัยวิริยะความเทียนอาศัยสติความระลึกอาศัยปัญญาความรอบรูท้ทีนี้พิจารณาต่างหน้าต่างต า, งตางประพฤติปฏิบัติสอบสืบเรื่องภายในจิตใจของตัวอยู่เสมอเพราะจิตใจเท่านั้นเป็นตัวยุ่งใหญ่เป็นตัวงานใหญ่คอยไปจับไปจิตไปคิดไปปรุงเรื่องต่างๆเรื่องเหล่านั้นทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่เห็นมันก็มีก่อเป็นกันอยู่ในโลก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 ด้านอัจทำจริงจังใจที่เคยสายแสสู่อารมณ์สัญญาทายนอกปรุงไปในเรื่องต่างๆที่ชาวโลกเขานิยมชงชอบกันเรื่องเหล่านั้นมันถูกกิเลส ข, ของคนปล่อยไปง่ายไหลไปง่ายแต่อาจะให้มันสะดวกสบายถึงสึ่งที่สุดวิมุตินิพพานเป็นไปไม่ได้เราเคยคิดเคยปรุงเคยติดเคยตามสัญญาอารมณ์เหล่านั้น แต่จิตใจของพวกเราท่านถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นทางที่จะได้ตัร้รู้เป็นทางดีวิเศษทุกคนหมดกิเลสตัญหานี่มันไม่เป็นไปแบบนั้นพวกเราท่านจงโจมอยู่ในเรื่องของกิเลสตัณหาโลกปวดหลงยังท่วมทับจิตใจสม่ำเสมอมาฉะนั้นครูอาจารย์ที่ท่านได้อัดคำทำสอนมาสอนโลกท่านก็มีเหมือนกันแต่ท่าน หมั่นประพฤติปฏิบัติสอบสื่อที่นี้พิจรารณาทำแบบนี้เป็นอย่างไรจิตใจสงบไหมจะ ก, กำหนดลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธ ท, ท่านตั้งใจทินิ้พิจารณาจริจรงจังกำหนดจริงจังจนจิตของท่านอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเป็นอย่างไรจิตใจเป็นอย่างนั้นลมหายใจผู้ที่กำหนดแต่ก็กำหนดบทลมหายใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้ใจิตใจส่ายแส่ไปตามเฉลี่ยตันหาที่ผ่านมาหรือผุดขึ้น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 รวมลงไปได้ลงได้เมื่อจิตลงจิตรวมลวมหายใจมันก็ขาบไปปกติของคนมีจิตสงบจิตลงรวมลวมหายใจไม่มีตามตำรา่ัานจิงเล่าว่าคนอยู่ในคันคนดำน้ำคนเขา่านิโรธสมาบัติไม่มีลมหายใจเราเคยเห็นเคยเป็นไหมแบบนั้นถ้าหากเราทาเราจะเชื่อจะเห็นจะเป็นถ้าจิตยังคิดกับเรื่องของลมอยู่ จิตยังไม่สงบถ้าจิตสงบมันจะดับไปหมดสัญญาเวทนาต่างๆไม่ทราบว่ากายมันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรเวทนาความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหมื่อยหิวต่างๆมันดับไปหมดถ้าจิตรวมรวมอยู่อย่างนั้นจะนั่งอยู่กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนถ้าไม่ถอนขึ้นเชื่อว่าจะไม่มีอะไรจะเป็นคิดเป็นใครเพราะเหตุใดเพราะจิตในเกี่ยวข้องกับเรื่องของภายนอก นี่คือจิตรวมจิตสงบ<ม>เมื่อจิตรวมจิตสงบอย่างนั้นความอัศจรรย์ความเบาของใจเราทราบได้เราเห็นได้ภายจากการแตะทําบําเพ็ญของเราเราก็ติดใจแน่ใจแบบทํามปุกความสงบอันแท้จริงนั้นมันอยู่กับการประพฤติปฏิบัตินี้ไม่ใช่อยู่กับวูกับเสียงกับเรื่องกับเราต่างๆเราเห็นเราเป็นในใจของเราอย่างนั้นจะไม่เชื่อ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 ใครเล่าอยากจะไปเอาของต่ําใครเล่าอยากจะไปเอาของไม่มีค่าเชื่อทุกคนจะต้องการความสุขอันแน่นอนความสุขอันจริงจังความสุขอันแปรเสดเลื่นลอยนี่เบื้องต้นการฝึกฝนจิตใจครูอาจารย์ที่ท่านนำทำมาฝากพวกเราสอนพวกเราท่านเคยเห็นเคยเป็นในในชัยว่าท่านสอนต่อาวๆแต่ตัวของตัวเองไม่เคยเห็นเคยเป็นหาต้นเคยเห็นเคยเป็นเคยฝึกเคยปฏิบัติตจิตใจ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 ว่าองนั้นเป็นอย่างไรองค์นี้เป็นอย่างไรจะเข้าใจด้วยการอธิบายธรรมะเพราะธรรมะนั้นไม่มีทางปกติดความเปลียนไปถึงท่านจะอธิบายไปแห่ไหนมุมใดถ้าหากอธิบายภายในจะทราบได้บางท่านบางคนเคยอธิบายมรรคผลเคยอธิบายศีล ส, สมาธิปัญญาแต่เข้าไม่ได้ว่าจะเข้าจุดสําคัญไป เลยเตลิดไปที่อื่นนี่คือจิตไม่เคยเห็นเคยเป็นแต่ก่อเหตุอยู่นั้นแหะตลอดวันตลอดคืนก่อเหตุแต่เทวะเหตุผลผี่เห็นที่เป็นจริงจังผู้ฟังตราบได้แบบคนนี้ไม่มีอะไรนี่แต่ลมปากเราก็เลือกได้หาได้เราทุกคนตี่สนใจในศาสนามุ่งมั่นจะปฏิบททัติธรรมพึงพากันประพฤติปฏิบัติมรรคผลธรรมอริยเศษ ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นกิ้เล็มีอยู่ที่ใดเมื่อทำลายจิเลสออกไปมรรคผลจะเกิดขึ้น <c oughs> ทุกคนที่ลุ่มหลงเลิดเทิญก่อเพิดเทินในเรื่องของตัวเองจึงไปเกาะเกี่ยวเรื่องอื่นภายนอกดังนั้นคำต่างสอนของพระพุทจเจ้าจึงหตุเ hey, นอมาเป็นโอปัญิโกคือมาพิจารณาภายในพิจารณากายใจของตอนกายของเราท่านถ้าหาพิจารณาถูกอาจถูกทำแล้ว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 เรื่องของขาสของขันเป็นอย่างไรด้วยอาศัยปัญญาที่นี่พิจา้าน่ะแน่นอนมันก็เลยไม่มีเรื่องอะไรจะสงสัยจะไปที่ไหนจะไปถามใครเพราะหายสงสัยในใจเหมือนกันกันกบเราทานอาหารอิมอ่มอิ่มเราหรือหรื อ, อยังไม่ต้องให้คนอื่นมาให้คะแนนเราทราบเองเพราะเราอิม่มมีการต่อเพื่อปฏิบัติทางธรรมด้านในกา ร, ป, รปฏิบัติศาสนาก็ทํานองเดียวกันไม่มีทางที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะลังเล ฉะนั้นการระพืดปฏิบัติถพงตั้งหน้าตัางา้งตาศึกษาภายในตัวลมก็มีอยู่ในจมูกของเราทุกคนสี่ยังในายพอที่จะกำหนดได้จะบริกรรมพุโทโธรมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมได้นึกอันอื่นคิดอันอื่นทำไมคิดได้จะมาสอนใจให้สงบทำไมสอนหน่ได้เปิดแล้วปิดไม่เป็นมันจะเป็นผ่าหรือต้องปิดเป็นบ้านหีภักยังมี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 เพอาศัยไม่ตั้งหน้าต่างตาศึกษาไม่ตั้งหน้าต่างตาภาวนาจิตมันมีดวงเดียวถ้าไปเกี่ยวข้องกับทางโลกทางธรรมมันก็ไปไม่รอกไปไมด่ดถ้าหามันอยู่ในอดในธรรมทางโลกมันก็ดับสงบไปนี่หมายถึงการคิดแต่จะให้จิตสงบสงัด น, นั้นมันก็ทําได้ไม่เหลือวิสยัยหะกทำธรรมทำทำธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของเหลือวิสยัยเป็นโมกฆะสําสหรับคนแล้ว พระพุทธเจ้ากกประกาศศาสนามาไม่ได้สาวก ค, คงไม่มีแน่นี่มันยังมีอยู่ผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติจันหาจาังตารักษาจะทำบำเพ็ญเห็นรู้เป็นพยานของเท้าองค์มานับไม่ถ้วนจะเป็นโมฆะสำหรับเราคนเดียวหรือสอนตัวของตัวแล้วมุ่งมั่นที่นี้พิจารณาภายในให้จิตใจเป็นไปตั้งแต่ขั้นสงบเท่านั้นก็ยังจะเชื่อมั่นว่ามรรคผลยังมี ไม่เดินหนีไม่เด้นเสียไปที่ไหนถ้าหากประพฤติปฏิบัติเรื่อยๆไปจิตใจสงบทีนี้พิจารณาสิ่งที่เคยสงสัยของใจด้วยอำนาจของปัญญาที่มีภายในมีสมาธิหนุนหลังอาจจะเห็นจะรู้สิ่งต่างๆที่เราเคยหลงทราบขึ้นเข้าใจถึงในสิ่งนั้นนะหายสงสัยไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดจุดมิมุตเป็นอย่างไรเราเคยเห็นเคยเป็นความสงบ ตามรายละเอียดของใจเมื่อมันไปเห็นไปเป็นยิ้มยวเป็นอย่างไรนั่นก็ไม่มีทางสงสัยอีกเหมือนกันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยกันถ้าหากเห็นหากเป็นอย่างนั้นไม่ว่าอากาบจิริยาธาตีจะเป็นอย่างไรแต่จิตใจถ้าหากเคยประพฤติปฏิบัติร่วมกันมาเข้าใจกันในที่สุดด้วยกันแล้ว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 แล้วเรื่องของท่านหากจะมาระวังรักษาจิตยังมีโทษจึงรักษาจิตหมดโทษจะไปรักษาทําไมไม่รักษาไม่เป็นบ้าหรือท่านเป็นบ้าไหมพระพุทธเจ้าหรือสาวสกต้องได้เห็นถ้าเป็นบาอะไรนี่พวกเราพึง ป, ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นชัดในตัวเรื่องธรรมดีในจึงจะเลยมีการสงสัยต่อไปนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมดีในแก่นของศาสนาอยู่ในกายวาจาใจของเราไม่ได้อยู่ตามตหรับตําราตาม คาพีต่างๆฉะนั้นใครทุกคนผิดสนใจพิจารณาภายในคนนั้นแหละจะรู้ใจเห็นเรื่องของศาสตรนาศีลสมาธิปัญญาวิขชาวิมุตเป็นอย่างไรจะไม่ต้องไปอ่านที่อื่นอ่านที่ตัวข้องตัวรู้ที่ตัวข้องตัวแล้วหายสงสัยดับเรื่องทั่วไปพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท้าวกเป็นอย่างไรงถ้าขึนผิทันปรจจุบนนี้านไปแล้วก็ไม่ต้องไปถามถึง เพาะปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรเข้าใจอยู่อย่างนั้นเรื่องกิเลียตัญหาราคะต่างๆมันจะมาก่อปวนทําลายจิตใจอีกได้ไหมก่อเชื่อมั่นว่าจิตใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครอะไรไม่มีอะไรที่จะทําจิตใจให้เศร้าให้ใส่ให้ดีให้ชั่วไปอีกนม่บาปนิพพานท่านก็ไม่ต้องการอารหันต์ท่านก็ไม่ต้องการเพราะเหตุใด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 ท่านก็เป็นเนื้อนาบุญเป็นสุปฏิปันโนอุสุยยะสาเีจิสามารถที่จะบำรุงจิตใจบุญกุศลของคนทั่วไปได้การไหว้ก็เป็นบุญเป็นกุศลให้ทานอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลตัวของท่านอยู่ในโลกก็ไม่เป็นใครตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายนี่ผููที่ดีวิเศษท่านจึงดีวิเศษเรื่อยไปแม้กระดูกของท่านก็แย่งกันก็ถือว่า กระดูของครูดีวิเศษถ้ากระดูของเราท่านธรรมดาทุบรัวว่าเป็นสีรัวมันจะไปหลอกเอาไปจิ้งไปบ้านก็ยังจะจับกันผิดกฎหมายนี่กระดูของครูอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีไม่เป็นอย่างนั้นอยากได้การแย่งกันข่อกันนี่เมื่อปฏิบัติดีแล้วไม่ว่าตั้งแต่เฉพาะท่านมีชีวิตอยู่ท่านตายไปก็เอื้อื่อของท่านก็ยินดีเลื่อมใสอะไรทุกอย่างที่เขาถือว่าเป็นอประมงคน พวกผู้ศรัท ธ, ธาทั่วไปก็วเลื่อมใสทุกอย่างที่เป็นของท่านจะเป็นบริขารหรือในเนื้อในกายของท่านยินดีที่จะเอาไปสักการะบูชาที่มันดีทั่วไปอย่างนี้ฉะนั้นเราอยากดีกอพึงต้อเพื่อปฏิบัติอย่าไปคิดไปปรุงว่อยู่ๆก็จะให้มรรคผลโผล่ขึ้นเกิดขึ้นเพราะมรรคผลไม่ใช่เหตุก็ถูกผลจะโผล่ขึ้นเท่านั้นต้องปฏิบัติ